3. อนนยตกันท่านทั้งหลายทำคืออนิยตสองสิกขาบทเหล่านั้นมาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับหนึ่งปรมอนนยตสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่ลับตา ก, กับหญิงสองต่อสองเรื่องพระอุทายี 443. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวัน อารามของอนาถาบินทิกะเศถียรเกตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระประจำประกูลในกรุงสาวัตถีไปมาหาสู่ตระกูลทั้งหลายสมัยนั้นหญิงสาวตระกูลอุปถากของท่านพระอุทายีอันบานดาบิดาให้ยกให้ชายหนุ่มตระกูลหนึ่งเวลาเช้าวันหนึ่งท่านพระอุทายีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรไปที่ตระกูลนั้น ขันถึงแล้วถามชาวบ้านว่าหญิงสาวชื่อนี้ไปไหนชาวบ้านตอบว่าเขายกให้ชายหนุ่มตระกูลโน้นไปแล้วเจ้าค่าตระกูลนั้นก็อุปถาของท่านพระอุทาดีท่านจึงไปที่นั้นถามว่าหญิงสาวชื่อนี้อยู่ไหนชาวบ้านตอบว่านางนั่งอยู่ในห้องเจ้าค่าท่านพระอุทายีก็ไปหาหญิงสาวนั้นนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่รับพอจะทำการได้เจรจา เราทำเหมาะแก่กันกับหญิงสาวนั้นสองต่อสอง